بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الرابع عشر ويحتوي على سور الشورا الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف محمد الفتح ا ل ح ج ر ا ت وقف แนะนำบทอัชูรอบทนี้เป็นบทมักกิยะมีห้าบสามองค์การบทเริม่มโดยการกําหนดแหล่งที่มาของวะฮีองค์การจากพระเจ้าและแหล่งที่มาของสารอาลลอฮ์เป็นผู้ประทานวะฮีให้แก่บรรดา น, นับีและบรรดารอซูลพระองค์คือผู้ทรงคัดเลือกผู้ทีพ่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อทําหน้าที่เผยแพร่ศารของพระองค์เพื่อที่จะนํามนุษยชาติออกจากความมืดมนแห่งการตั้งพาธี และการหลงทางไปสู่รัศมีแห่งแนวทางที่ถูกต้องและการศรัทธาต่อมาบทนี้ได้เปิดเผยถึงสภาพของพวกมุชริกีนคือพวกบูชาจเจวิตบางคนและการกล่าวอ้างของพวกเขาขณะที่พวกมุชริกีนเหล่านั้นกำลังอยู่ในการหลงทางมาลายกาที่อยู่บนฟากฟ้าต่างก็มุ่งมั่นอยู่ในการแท้สองสรุดีด้วยการสรเสริญต่อร ทางนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิเสธศรัทธาและการฝ่าฝืนของมนุษย์บนหน้าแผ่นดินกับการศรัทธาของมาเลยกะและการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาบทนี้ได้หันกลับมากล่าวถึงข้อเท็จจริงของการวาหฮีและสารอีกโดยกำหนดว่ า, าศาสนานั้นเป็นหนึ่งเดียวอลัลลอฮ์ทรงส่งบรรดาหอซูลทั้งมวลมาพร้อมด้วยาศาสนานั้นและว่าบทบัญญัติของบรรดานบีนั้นถึงแม้ว่าจะแตกต่างกัน แต่ว่าศาสนาของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวคือศาสนาอิสลามพระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนาของพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นัวและได้องค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบราฮิมมูซาและอีสาบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธอันกุรอานบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน และได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหน่วงในวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผมเป็นสีขาวและจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะความกลัวขณะที่พวกเขาอยู่ในโลกนี้นั้นพวกเขาย่อเย้ยและเหยียดยามและเรื่องราวถึงยามอวสานบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงองค์การและอัลกุรอานเช่นเดียวกับที่ได้เริ่มไวในตอนต้นของบททั้งนี้เพื่อให้คกล่าวสอดคล้องกันในตอนต้นและตอนจบ บทอชูรอถูกขานนามเช่นนี้เพื่อเป็นการชี้แนะถึงสถานภาพของการปรึกษาหาหรือในอิสลามและเป็นการสั่งสอนให้บรรดามุหมินผู้ศรัทธาให้ดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคมดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าและกิจการของพวกเขาให้มีการปรึกษาห า, หาหรือกันในระหว่างพวกเขาบ ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมฮามีมอีซีนกาฟอีซีนกาฟคดัลก์ยูฮีอิลัย์ควะอิลัลลัดีนมิน เช่นนั้นแหละได้มีองค์การมายัางเจ้าและยังบรรด า, าศาสนทูตก่อนหน้าเจ้าอาลัลลอฮผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญานเหลืมาในสวรรค์และม้าในอดีวะฮวะลลาริยุลลอฮีมสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ ات الأ الله ฉันฟาดทั้งหลายแทบจะพังทลายลงมาจากเบื้องบนของพวกมัน ขณะที่มาลายกาต่างก็แท้สองสดุดีสันเสริญต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและขออภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกนี้พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอววัล ด, ดีนกลลิ า, าบ และบรรดาผู้ตียึดถือเอาผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์นั้นเอาล้อส่งเฝ้าดูพวกเขาอยู่และเจ้าไม่ใช่พูดดูแลคุ้มครองพวกเขา <S <S ละเช่นนนั้นแหละเราได้องค์การอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนชาวมักกะและผู้ที่อยู่รอบเมืองนั้นและเตือนถึงวันแห่งการชุมนุมซึ่งไม่มีข้อสงสยัยใดๆในวันนั้นพวกหนึ่งจะอยู่ในสวนสวรรค์และอีกพวกหนึ่งจะอยู่ในนรก เล่าว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอนจะทรงทำให้พวกเขาเป็นประชาชาติเดียวกันแต่พระองค์จะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ส่วนบรรดาพูอธรนั้นพวกเขาจะไม่มี ผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลยหรือว่าพวกเขาได้ยึดถือเอาคนอื่นจากพระองค์เป็นผู้คุ้มครองต่ลอคคือผู้คุ้มครองและพระองค์คือผู้ทรงให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีก และพรองคือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งและอันใดเล่าที่พวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องนั้ น, น, นการตัดสินชี้ขาดย่อมกลับไปหาอัลลอ์นั่นคืออัลลอ์พระผู้อภิบาลของฉัน แด่พระองเท่านั้นฉันขอมอบหมายและยังประองเท่านั้นฉันจะกลับไปห า, า رض, ا, พระบุทรงสร้างบรรดาฉั้นฟ้าและแผ่นดิน พระองค์ทำให้มีคู่ครองแก่พวกเจ้าซึ่งจากตัวของพวกเจ้าเองและจากปัสุัตนั้นทรงทำให้มีคู่ผัวเมียด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงแพร่พันุ์พวกเจ้าไว้อย่างมากมายไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น 인네후비쿨리샤인알림กุญแจงการควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระงคพระองค์ทรงเพิ่มพูนปัจจัยอย่างชีพแกพ่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบถ้าจริงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งชรอลากุมมินอัดดีนิมาวัสซาดีนู누วัลลดีเอูไฮนาอิลัย وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم د ي ن َ ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعهم إليه a l l ه h يجتبي إليهم يشاء ويهدي พระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นัวและที่เราได้องค์การแก่เจ้าก็เช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบราฮิมและหมูซาและอีสาวา่าพวกเจ้าจงดํารงศาสนาไว้ให้มั่นคงและอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนาแต่รเรื่องใหญ่แก่พวกตั้งภาคีที่เจ้าเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้นอโลทรงเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และสรงที่แนะทางสูพรุองแก่ผู้ที่กลับตัวสู่ بَيْنَهُمْ ال และพวกเขาไม่ได้แตกแยกเว้นแต่หลังจากได้มีความรู้มาอย่างพวกเขาแล้วทั้งนี้เพราะความริษยาระหว่างพวกเขาเองและหากไม่ใช่ลิขิตได้บันทึกไว้ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจนถึงวาระที่กำหนดไว้แล้วแน่นอนก็จะถูกตัดสินในระหว่างพวกเขา และแท้จริงบรรดาผู้ที่รับมรดกคัมภีร์นี้หลังจากพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยแคลงใจเกี่ยวกับคัมภีร์นั้นอยู่ฤฤ ا أ ดังนั้นเพื่อการนี้แหละเจ้าจงเรียกร้องเชิญชวนและดำรงมั่นอยู่ในแนวทางที่เที่ยงธรรมดังที่เจ้าได้รับบัญชา และอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาและจงกล่าวว่าฉันได้ศรัทธาในสิ่งที่มีอยู่ในคำมภีร์ตามที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาและฉันได้รับบัญชาให้ตัดสินระหว่างพวกเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมอัลลอฮ์ Allah คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าการตอบแทนการงานของฉันก็จะได้แก่ฉันและการตอบแทนการงานของพวกเจ้าก็จะได้แก่พวกเจ้า ไม่มีการโต้แย้งใดๆระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าอาลัลลอฮ์จะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดและอย่างพระองเท่านั้นคือการกลับไป ส่วนบรรดาผู้โต้แย้งเกี่ยวกับาศาสนาของอัลลอ์หลังจากาศาสนานั้นได้เป็นที่ยอมรับแล้วการโต้แย้งของพวกเขาปราศจากเหตุผลในทัศนะของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและพวกเขาจะรับความกลิวโกรธและพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัส a ลล a h คือ ok ผู้ประธานคำพีน์นี้อัลกุรอานลงมาด้วยความจริงและทรงประธานความสมดุลและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้บางทีวันอวาสานนี้อยู่ใกล้ๆนี้เอง บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาในเรื่องนี้เร่งเราให้เกิดขึ้นส่วนบรรดาผู้ศรัทธาก็มีความหวาดกลัวในเรื่องวันอวสานและพวกเขารู้ว่ามันเป็นความจริง พึงรู้ถดว่าแท้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องวันอวสานนั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างไกลลิอัลลอฮละิฟ aa, ุบิิฮิยุเมยอัลลอฮเป็นผู้ทรงเอ็นดูต่อปวงบ่าวของพรลงทรงประทานปัจจัยอย่างชี้แก่ผู้ที่โรร่งทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพผู้ใดปรารถนาการตอบแทนของปรโลกเราจะเพิ่มผลตอบแทนของเขาให้แก่เขา และผู้ใดปรารถนาผลตอบแทนของโลกนี้เราจะให้แก่เขาบางส่วนจากสิ่งนั้นและสำหรับเขาจะไม่ได้ส่วนใดๆอีกในประโ ล, ละหละหมม หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆที่ได้กำหนดศาสนาแก่พวกเขาซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอนุมัติและหากมิใช่ลิขิตแห่งการตัดสินที่ได้กำหนดไว้ก่อนแล้วก็คงได้มีการตัดสินในระหว่างพวกเขาแท้จริงบรรดาผู้อาธรรมสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด َالَّذِينَ الصَّالِحَاتِ เจ้าจะเห็นบรรดาผู้ทมเป็นผู้หวาดกลัวเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้โดยมันจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเขา ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีต่างๆจะอยู่ในอุทยานแห่งสวนสวรรค์สำหรับพวกเขาจะได้สิ่งที่พวกเขาปรารถนาณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขานั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่